บทภาชณีติการปาจิตตีสองร้อยคณะโภชนะภิกษุสําคัญว่าคณะโภชนะฉันนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีคณะโภชนะภิกษุไม่แน่ใจฉันนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีคณะโภชนะภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่คณะโภชนะนนชนะฉันนอกสมัยต้องอบัตตีทุกทุกกดไม่ใช่คณะโภชนะภิกษุสําคัญว่าคณะโภชนะฉันนอกสมัยต้องอบัตทุปกด ไม่ใช่คณะโพชนะภิกษุไม่แน่ใจฉันนอกสมัยต้องอาบัตทุกกฏไม่ใช่คณะโพชนะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่คณะโพชนะฉันนอกสมัยไม่ต้องอาบัต